ไม่พักไม่นอนตาดูจนห้ากึิงมันนั่นจุดนี้จุดนเต็ ไม่หลับตาดูสหน้ากจริงมันแน่นจุดในจุดซิวมันโดด ข, ขึ้นมาตัตาทุกไจจะปีบตรงไหนนะัเปีบไปไนะ๊บที่ไม่นังปล่อยเอาไว้แล้วเมื่อไรจะหายปีบมันทิ้งซะหมดจากหัวใจก็เจ็บไม่เป็น The. <laughs> เียดตรงไหนนะเปีดีไหมนังปลอยเอไว้ลวเมื่อใดจะหายเปียมันทิ้งสักหมดจะหัวใจก็เจ็บไม่เป็นไรเปียดตรงไหนนังเปีดีไหมนังปล่อยอาไว้ละเมื่อใดจะหายเบียมันทิ้งสักหมดจะหัวใจก็เจ็บไม่เป็นไร